ด้วยจิตอย่างนี้แล้วถ้าในสมัยนี้บุคคล น, นี้พึงกระทำกาละไสเขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาขุนมัวนะครับดูกานพิสูนทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตขุนมัวแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรก อย่างนี้นะครับถ้าจิตเศร้ามองแล้วครับจึงตกนรก น, นะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตขุนมัวได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่พิสูจนทั้งหลายในสัมนักของพระองค์ว่าถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงกระทํากาละสาเขาพึงเข้าถึงนรก เพราะจิตของเขาขุนมัวเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนถูกนํามาทอดทิ้งไว้ฉะนั้นสาทั้งหลายย่อมไปสู่ทุกขติเพราะเหตุแห่งจิตขุนมัวนั่นแหลตกนรกเนี่ยนะครับไม่มีใครทําให้หรอกครับเพราะจิตตัวคำเศร้าหมองนั่นแหละเราทั้งหลายก็นึกว่าโยมพระบานนะครับเป็นผู้ตัดสินให้ตกนรกที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเจตนาที่เป็นบาปเป็นกรรมของเราเนี่ยแหละครับที่เป็นไปกับอกุศลตัวนั้นแหละเป็นเหตุแห่งการตกนรกนะครับ อระอัตกาถามีเรื่องเล่าว่าก่อนที่พง์จะตรัสสูตรนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคพิสูจนทั้งหลายนั่งสนทนาการในธรรมสภาว่าดูก่อนนบูโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญมากบางคนทาบาปมากบางคนท ำ, ป, นทำ ป, ะปะปนกันทั้งสองอย่างในบุคคลเหล่านั้นคนที่ทำบาปคือทั้งทาบุญทั้งสองเนี่ยนะครับปะปนกันทั้งสองอย่างเนี่ยพบหน้าจะเป็นอย่างไร เกิดมาดีก็ทํากรรมชั่วกรกอ น, นะครับบุญก็ให้นะวันธรรมดาก็ฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะครับวันพระวันเจ้าก็รักษาศีลฟังธรรมเนี่ยนะวันธรรมดาก็ทําชั่วอีกอย่างเงี้ยสลับกันไปลักษณะนี้ตลอดชีวิตเนี่ยนะชาติหน่าจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าพระพระิสุก็ศีลก็รักษาบาั้งสวดมนต์ภาวนาก็เอาอะนะเอาหมดอะดีชั่วสลับกันทํากันหมดนะครับถ้าอย่างเงี้ยคติน่าจะเป็นยังไง ลำดับนั้นทศสดาสเสด็จไปยังธรรมสภาประทับนั่งบนบวรพุทธอาที่เขาจัดไว้แล้วได้สดับถ้อยคํานั้นเมื่อจะทรงแสดงว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายผู้มีจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้ตายทุกคติเป็นอันหวังได้นะครับถ้าจิตเศร้าหมองก่อนตายเนี่ยหวังได้นะครับคื อ, อจิตเศร้าหมองในเวลาใกล้ตายจิตนั้นไม่ใช่เป็นตัวนําเกิดนะครับแต่เป็นอุปนิสัยให้เกิดในนรก แต่ไม่ใช่กรรมในขณะนั้นนะเป็นตัวนําเกิดนะคะรับกรรมชั่วกรรมดีที่ทําไว้ก่อนๆ น, นั่นแหละอ่าเป็นตัวนําเกิดเพราะว่าจิตก่อนตายนี่นะครับเป็นเหมือนกับเปิดประตูนะครับเปิดปถ้าจิตเศร้าหมองก็เปิดประตูนรกให้ถ้าจิตผ่องใสในเวลาใกล้าตายก็เปิดประตูสวรรค์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่จิตก่อนตายอย่อางนั้นแท้ผู้ที่ฝึกฝ น, นพัฒนาจิตมาดีก็จะตรงนี้ก็จะแก้ไขได้นะครับสําหรับคนที่ทํามาทั้งดีทั้งชั่วนะฉะนั้น วิธีสำคัญที่สุดก็คือฝึกจิตเอาไว้ตั้งแต่ก่อนตายเลยนะครับในชั้นต้นเลยก็ต้องเนี่ยมองเห็นดอกไม้กุศลจิตจะเกิดได้ยังไงเห็นดอกไม้ก็พยายามน้อมนึกเป็นพุทธบูชาให้ได้นะครับบ่อยๆ อ, อย่างเงี้นะเห็นอะไรก็น้อมนึกให้เป็นไปกับกุศลให้ได้นะครับเห็นกุฏิเสนาสะนะก็นึกถึงพวกที่ทำบุญประเภทถวายเสนาสะนะเป็นทานเห็นที่อยู่เห็นอาศัยเห็นเสือเห็นสัตว์เห็น มุ่งม้อนเห็นอะไรเนี่ยนะครับเห็นลูกเห็นล้านต้องฝึกคิดให้เป็นกุศลให้ได้ให้หมดนะครับไม่ฝึกไว้ย่างงี้เนี่ยนะครับก่อนตายเนี่ยพระก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะพระที่ตกนรลกก็มีเหมือนกันเราเป็นพระก็ได้เปรียบสช่ครับเพราะว่าเห็นแต่พระพุทธรูปแผนเจดีย์เห็นวิหารเห็นอารามเห็นพระภิกษุก็ได้เปรียบเนาะโดยสีนี่นะครับได้เปรียบนะครับแต่จิตนะครับถ้าไม่อบรมมาก็ลําบากเหมือนกันอืคือเน้นการอบรมจิตเป็นหลักนะครับ เพราะรว่าผู้ที่อยู่ในวัดก็ไม่ได้มีเมตตาเสมอไปนะครับเห็นพระเน้นด้วยกันนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีเมตตาต่อท่านใช่ไหมครับบางคนก็นึกตำหนิองค์นั้นก็ไม่ดีองนี้ก็เลวเนี่ยนะครับถ้าเพราะว่าภาพภาพเดียวมันอยู่ที่การสะสมของจิตนะครับอยู่ที่การฝึกของจิตมาเป็นประมาณนะครับคือคื อ, คอชมโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าผู้ที่น้อมเอียงที่จะเจริญเมตตาเห็นพระเพื่อนภิกษสุสา ม, มเณรก็นึก อะไรนะมุทิตาด้วยโอ้ดีนะท่านมีบุญได้บวชได้ศึกษาเล่าเรียนนะก็ให้เจริญเจริญนะให้บวชอยู่ น, นานๆเป็นต้นนะครับนึกอวยชัยให้พอเนี่ยนะแต่ท่านนึกตาหนิมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกั น, นะนก็ต้องฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับเอาเป็นอัธยาศัยนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าอิทะอิทัศสับนะครับอิทัศสับเป็นนิบาตในการชี้ถึงที่อยู่นะครับ อิทธาศัพท์ในพระไตรปิฎกมีใช้หลายความหมายนะครับในบางแห่งหมายถึงที่อยู่เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอิเทวะติธมานสาะสะเทวะภูตัสเมสโตแปลว่าเมื่อเราเป็นเทพสถิตอยู่ณเทวโลกนี้หรือว่าอิทธาศัพท์บางทีก็หมายถึงาศาสนานะครับเช่นบทว่าอิเทวะพิกเวสมมโนอิทธทุติโยสมมโนนะครับดูกรกตทั้งหลายส ม, มณะมีในาศาสนานี้เท่านั้นสมณะที่สองมีในาศาสนานี้เท่านั้นอันนี้คําว่านี้ เป็นชื่อของศาสนาหมายถึงชี้ถึงศาสนาบางทีก็หมายถึงทำบทให้เต็มเฉยๆนะครับเช่นอิธาหังพิกเวตพุทตาวีอัศังปวาวริโตปแปล ว, ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอันทายกขอร้องแล้วเพึงฉันส่วนอิธาสา์บางแห่งนี่หมายถึงโลกเช่นอีธาตถาคตโลเกอปันโนอิธาเนี่หมายถึงโลกนี่นะครับนะว่าพระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ เพิ่งเห็นว่าในสูตรนี้หมายถึงในโลกแม้นี้เท่านั้นพุทโพจน์ที่ว่าไงครับว่าเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้หมาว่าสัตว์ในโลกเนี้นะผู้มีจิตคุณมัวพวองเนี่ยใช้เจโตปริยานเป็นต้นนะกำหนดถ้าว่าสมัยนั้นเนี่ยบุคคลนี้เพิ่งกระทำกาละสาเขาถูกกรรมของตนเนี่ยทรัพย์ไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้น ถามว่าเพราะให้รายเพราะจิตของเขาขุ่นมัวเหมือนเอาไปเทขยะทิ้งเลยนะเขาบอกว่าถ้าตายแล้วตกนรกเหมือนเอาขยะไปเททิ้งอย่างั้นเถอะเพราะเพราะจิตเขาเศร้ามองในเวลาใกล้าตายบ่นว่าบุคลังบุคลังนะบุคคลเนี่ยนะครับแปลว่าสัตนะครับบุคคลเนี่ยบางแห่งหมายถึงสัตนะจริงอยู่สัตว์ท่านเรียกว่าบุคคลเพราะยังกุศลอกุศลและวิบากของกุศลอกุศลเหล่านั้นให้บริบูรณ์ ตามปัจจัยเพราะอำนาจความตายกลืนก่นกลิ่นก็คือสรุปแล้วก็ไปตามบุญตามบาปว่างั้นเถอะแล้วแต่บุญบาปจะพาไปสุดแท้แต่ปัจจัยว่างั้นนหรอนะอันนี้เนียพูดโดยรวมๆนะครับพูดโดยรวมแวเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ า, าจิตเศร้หมองเหมือนขยะเหมือนไปเทขยะเหมือนไปเทขยะ<ๆ>ผมผมตีความอย่างนี้ถูกหรือเปล่าบก็คือจิตของเราขณะนั้นเนี่ยมันถูกกิเลสเขา้า เขากลุ่มลุมนะมันก็เหม็นโชเหมือนกับขยะมันมันเน่ามันเสียมันไม่ควรแก่การจะจะเก็บต่อไปมันก็เอาไปเททิ้งอะไรอย่างงี้ตูหรู้ปะครับกรรมอย่างอื่นๆก็พาไปนรกเลยนะเออแล้วจิตที่มันผ่องใส่มันควรจะเป็นยังไงครับสูตรข้างหน้าครับอ๋อนะนะบทว่าปัทุธจิตตังนะครับที่บอกว่าจิตเนี่ยนะครับอันโทษปัทุสราเนี่ยนะครับได้แก่จิตคุณมัวด้วยความปัทถุสราด้วยความอาฆาต นนอย่างหนึ่งก็คือเช่นโทสะในเวลาใกล้าตายนะครับอีกอย่างหนึ่งปทุทถจิตต่างได้แก่มีจิตคุณมัวด้วยราค่าเป็นต้นอันเป็นโทษนะครับเช่นราค่าเกิดขึ้นเวลาใกล้าตายริษยาเกิดขึ้นเวลาใกล้าตายนะครับมานะเกิดขึ้นในเวลาใกล้าตายทิฏฐิเกิดขึ้นในเวลาใกล้าตายเป็นต้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปอบายแน่นอนนะครับไปอบายสุขติวินิบาศแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ร้อเลยครับถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายนะถ้าไม่ไม่กลับจิตนะใช่ครับเพราะว่าปุถุชนเราเนี่ยเราเสพคุนกับอกุศลมากกว่าอกุศล น, นะครับเพราะเปอร์เซนต์มันมีสูงที่มันจะเป็นอกุศลมากกว่าเสียงไอเสียงตรงเนี้ย เ, เ, เดี๋ยวผมจะเอาสูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังนะครับในอังคุตรนิกาย323สิบสเลยคือพูดถึงว่าผู้ที่ไปอบายเนี่ยมากจริงๆนะครับ ครับและขนโคกับเขาโคอ่าบางแห่งก็บอกว่าเหมือนกับแผ่นดินกับฝุ่นในเล็บนะครับพระองค์ในช้อนฝุ่นขึ้นมาในเล็บนะครับและพองษ์ก็บอกว่าฝุ่นกับเล็บฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินนี่ไหนยังมากกว่ากันพี่สุก็บอกว่าโห้ฝุ่นในเล็บน่อยเดียวแผ่นดินใหญ่กว่าแต่ว่าและพรงษ์ก็ตรัสว่าผู้ที่จะไปอบายทุกขติวินบาตก็พอๆกับแผ่นดินเหมือนกันนะครับน้อยมากนะครับที่จะไปสู่สุขติเนี่ยนะครับมันมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ฟังแล้วผมไม่มันไม่ตลอดเลย ก็ตรงนี้นี่นะครับเชื่อไหมครับถ้าหากว่ามีกล้องนะอ่านในหนังสือที่หมอเขาให้มากล้องจุลทรรศน์นะบนสีรษะของเรานะครับมีสัตว์เป็นหมื่นๆมืนตัวบนบนบนสีสระเนี่ยนะครับที่นอนของเราเนี่ยนะครับตามพรมทั้งหลายแหล่นี่นะมันมีรายฝุ่นเนี่ยนะถึงจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดขนาดไหนก็ดูดได้แค่2เปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นไม่รู้กี่ล้านตัวนะครับสัตว์นี่มหาศาล แล้วก็ส่วมส้วมหนึ่งนี่นะครับก็อยู่เท่าไหร่นะครับแต่ละคนแต่ละแห่งหมดในในกรนจอมปลวกนี่นะครับมดจอมปลวกพวกพึ่งพวกตักกะแตนนะครับหรือว่าเข้าไปในป่านี่ยุงนะครับอย่างเช่นหน้าเจดีเราเนี่ยนะเดินไปนี่ได้ยินเสียงหึ่งทันทีเลยนะครับมันมากขนาดไห น, นครับทีนี้เมื่อเทียบกับสุขคติเมื่อเทียบกับมนุษย์แหะครับอย่างบนดอยทา่าเนี่ยนะบนดอยที่เราอยู่เนี่ยนะถ้าชีวิตของมนุษย์มี5ที่เหลืออภัยทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมากขนาดไหนเพราะนั้นประเด็นที่สําคัญเนี่ยนะการทรงจําแล้วก็การเอาไปใคร่ควรวญสาธยายต้องต้องฝึกให้ได้แล้วก็พยายามเอาสิ่งที่สาธยายเนี่ยนะสง่งเคราะห์ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับนะประมวลความรู้ที่เราสวดหรือสาธยายที่เราคิดเนี่ยนะสง่งเคราะห์มาในโลกของสิ่งที่เป็นจริงนะครับ เช่นเรื่องศีลหรือเรื่องสมถะวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยนะครับพยายามสง่งเคราะห์ทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงไปกับทุกๆอารมณ์นะครับว่าสิ่งนี้สามารถเป็นศีลได้ยังไงเป็นสมาธิได้อย่างไ ร, ไงไรแล้วก็เป็นปัญญาได้อย่างไรมันต้องไคร่ครวนจริงๆนะถ้าหากว่าเป็นโยมทั้งหลายก็ต้องมันไคร่ครวนในลักษณะเป็นฐานศีลภาวนาอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นของพระภิกษุเราก็ขึ้นต้นที่ศีลเลยนะครับ ขื้นต้นที่จตุปาริตาริสุที่ศีเลยนะครับแต่และอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อด้วยสมถาวิปัสนาได้อย่างไรถ้าหากว่าทรงเคราะห์อันนี้ไม่ได้ก็ยากที่จะปฏิบัติหรือว่าอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับถ้าทรงเคราะห์ลงศีลไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยชื่อว่ารั่วแล้วนะครับเพราะว่าศีล น, นี่เหมือนแผ่นดิน ถ้าทุกๆอารมณ์อารมณ์ใดที่เราไม่สงเคราะห์ศีลลงไปในอารมณ์นั้นเนี่ยนะครับพอได้รับอารมณ์นั้นเมื่อไหร่กุศลศีลเราก็ร่วงไปเมื่อกุศลศีลร่วงแล้วเนี่ยนะครับหรือกุศลศีลไม่เกิดนะนะชื่อว่าร่วงนะครับ่อร่วงก็คือไม่เกิดอเมื่อกุศลศีลไม่เกิดในอารมณ์นั้นสมถาก็เกิดไม่ได้วิปัสสนาก็เกิดในอารมณ์นั้นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติท Luc ี <ap> ่พระผู <t ap> ้มีพระภาคทรงแสดงทั้ง สอ0 0มพระธรรมอาคารเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้เอาได้พิจารณาในอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการพิจารณานี้บ่อยๆก็จะเห็นคุณค่าของกุศลศีลมากขึ้นเพราะจิตเป็นใจกับกุศลศีลมากขึ้นนะแต่อัตตาที่สําคัญของศีลเนี่ยควรจําเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าศีลเนี่ยอัตถาว่าอะไร อันนี้ต้องต้องให้แม่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่งั้นคิดไปคิดมาก็จะห่างจากสภาวะของศีลเพราะว่าตัวศีล น, นั้นได้แก่ตัวอุปทานนังนะครับกับสมาทานังคือศีลเนี่ยอัตถะของศีลตรงๆเรียกว่าศีลละนะนะครับคําว่าศีลละนะนี้หมายถึงสมาทานังนะครับกับอุปทานนังศีลละนะนี่นะครับแปล ว, ว่า ศีละณะเนี่ยแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะหนึ่งคือควบคุมทางกายและวาจาไม่ให้กำเริบนะครับไม่ให้กำเริบออกมาเกลื่อนกลนด้วยโทษทั้งหลายแล่นี่นะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่สำรวมตาก็คือตาเนี่ยไม่กลิ้งเกลือกไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับบุคคลที่สำรวมกายวาจาก็ลักษณะนั้นนะลักษณะนี้เรียกว่าสมานทานังแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อ, อุปทารนังครับคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูง นั่นคือลักษณะของศีลนะครับอุปธานรนางคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงที่ท่านภาษาริบุตรแสดงไว้ในวิเวกถาว่าผีชคามและภูตะครามเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าจะงอกก็งอกบนแผ่นดินกุศลธรรมเหลาใดเหล่าหนึ่งก็ต้องมีศีลนี่แหละเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเนี่ยก็ต้องมันสงเคราะห์ลงศีลทีนี้ศีลเนี่ยนะครับ ทั้งที่เป็นศีลละนะและอุปธารณะก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะที่น่าคิดคือจารีตกับวารีตนะครับส่วนไหนที่ต้องงดเวน้นส่วนไหนที่ต้องเข้าไปประพฤตินะครับถ้าหากว่าส่วนที่เรางดเว้นได้ก็ไม่มีโทษอย่างหนึ่งละแต่บางส่วนนี้ต้องเข้าไปประพฤติถ้าหากว่าประพฤติไม่ได้ก็อย่าหวังว่ากุศลจะเจริญนะครับเพราะว่าเครื่องรองรับนั้นๆไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปประพฤตินี้ก็นับว่าเป็นศีลมีความสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าศีลเนี่ยไม่ได้หมายคำว่าเว้นอย่างเดียวนะครับแปลว่าต้องเข้าไปประพฤติด้วยะนะเพราะฉะนั้นทั้งเวน้นทั้งเข้าไปประพฤตินั้นมีคุณ ล, ลักษณะคือรองรับปุโสธรรมชั้นสูงถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติให้เพียงพอหรือเว้นไม่เพียงพอเนี่ยนะครับความปลื้ม อ, อกปลื้มใจก็ไม่มีนะครับ ยกตัวอย่างนะวันวนหนึ่งเรานั่งเฉยๆอะไรก็ไม่ทําเลยนะถามว่าศีลราดีไหม น, นะศีนประเภทเว้นเนี่ยดีแต่ประเภทที่จะต้องไปประพฤติปฏิบัติไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ความปีติปราโมชอะไรเลยนะครับจึงไม่เกิดความปราบ ป, ปลิ่มใจอะไรซักอย่างเนื่องจากข้อประพฤติไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนมีศีนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความสุขนะตามลักษณะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความสุขแต่ทีนี้ถ้าหากว่าหงอยเงาซึมเครียดเป็นต้นเนี่ย ก็แสดงว่าไม่ใช่กุศลศีลแล้วนะครับขอให้รู้เธอว่าศีลที่เรารักษาน่าจะผิดพลาดแล้วนะครับมันทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่นิมมณฑันช่วยยกตัวอย่างจาริตศีลครับวาริตศีล น, นะครับในด้านของวาริตศีล น, นะครับก็คือปาติโมกหัวข้อที่ต้องเว้นนะนะเช่นปาราเชกเนี่ยต้องเว้นนะสังฆธิเศสนี่ต้องเว้นนะ ทีนี้ถ้าบั right frosting, ตตต่ำรองๆองลงมาเนี่ยต้องเข้าไปประพฤตินะครับบางอย่างต้องเข้าไปประพฤติเช่นต้องทํากับปี่ยั่งอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าพวกพลมารากไม้ต้องเข้ากับไปทำกับปี่ยั่งอันนี้เป็นจารีตครับต้องประพฤตินะครับหรืออีกนัยหนึ่งเลยนะครับการเกี่ยวข้องกับสมณะทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยนะมีสิกขาบทอย่างหนึ่งที่เราต้องเว้นนะครับที่เราต้องเว้นหมายความว่าเอออะไรที่ที่มันจะเป็นไปเพื่อให้ผิดวินัยเนี่ยนะ อันนั้นต้องเว้นเอานะครับเช่นจะไปพูดโอมาสวาสดจะไปพูดเป็นทุภาสิต์เนี่ยนะอันนี้ต้องเว้นนะถ้าโดยเฉพาะคําพูดแต่เราต้องประพฤติวจีสุจริตนะครับเดี๋ยวนะต้องเข้าไปประพฤติวจีสุจริตในสหธรรมิกทั้งหลายอันเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นศีลนะครับการใช้วจีสุจริตทุกครั้งก็เป็นศีลที่จะต้องเข้าไปประพฤติเอาเวลาเราจะพูดนะต้องพื่ต้องพูดให้เป็นวจีสุจริตนะครับ แล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่นั้นนะครับเราเกี่ยวข้องกับบาทจีวรนะครับศีลก็อยู่ที่บาทและจีวรเกี่ยวข้องกับพื้นศีลก็อยู่ที่พื้นเกี่ยวข้องกับพระเจดีย์ศีลก็อยู่ที่พระเจดีย์เกี่ยวข้องกับห้องน้ําศีลก็อยู่ในห้องน้ํานะครับเกี่ยวข้องกับเพื่อนสาธารมิ่เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับเป็นพระพรรษามมากพรรษาน้อยก็ศีลก็อยู่ตามนั้นตามสมควรนั้นนั้นนะครับ แม้กระทั่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีศีลอยู่ตามนั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าบุคคลผู้ประสงค์จะแสแวงหากุศลศีลก็จะมีศีลให้ประพฤติในนั้นอย่างมหาศาลบุคคลที่ประพฤติตามนั้นได้ก็จะสามารถไม่เดือดร้อนใจนะครับถามว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องประพฤติแค่ไหนนะครับสังเกตดูว่าอลองประพฤติหลา ย, ลยๆลักษณะด้วยกัน อากุศลจิตเกิดขึ้นเป็นประมาณนะครับอันสมมามัญเพศนั้นสามารถทดลองได้หลายๆเรื่องนะครับทดลองประพฤติตามออขอบเขตควรจะแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับในการเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือหมันสงเคราะห์ว่าเป็นศีลข้อไหนเป็นศีลอะไรเนี่ยนะครับเมื่อเราปร ะ, ประพฤติแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาไปอ่านเทวิาไนยปิดอกใหม่เนี่ยนะจะมองเห็นอะไรก็เป็นศีลไปหมดเลยนะครับมองเห็นอะไรก็เป็นศีลไปหมด เพราะจิตที่ปรารบเป็นไปกับศีล น, นะครับแสดงว่าเรามีความเคารพในพระผู้มีพระภาคถ้ามีความเคารพในพระผู้มีพระภาคแล้วพระพื่อตามพระองค์ก็แสดงว่าตถาคตโพธิ์ที่ศรัทธาเนี่ยเราดีนะครับตถาคตโพธิ์ที่ศรัทธาดีศีลก็ดีทีนี้คนที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยนะครับคนนั้นจะตระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดได้เยอะนะครคนมีศีลดีเนี่ยจะระลึกว่าเคยพลาดอะไรเคยทําอะไรเนี่ยนะจัระลึกได้เยอะ เพราะฉะนั้นในวิสุทธิมรรคท่านจึงอธิบายว่าผู้ที่รักษาศีลดีเนี่ยนะครับจะได้อุปนิสัสยคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ น, นะครับจะฝึกระลึกสิ่งที่เป็นอดีตนะครับจะฝึกระลึกมัน เ, เป็นเหตุแห่งปุพเพนิวาสานุสติญาณคนที่รักษาศีลดีนะครับศีล น, นี่มีอยู่ข้อหนึ่งเจตนานี่เป็นศีลเมื่อเจตนาเป็นตัวศีนเนี่นะครับก็จะเห็นว่าโอ้ เจตานานี้เป็นกรรมนะนะกรรมนี้ให้ผลนะกรรมแต่ละอย่างให้ผลนะถ้าเราละเมิดทุศีลออกไปเนี่ยกรรมเหล่านี้มีผลนะเมื่อกรรมเหล่านี้เป็นต้นมีผลเนี่ยนะครับจุตูปปาตายานก็จะแม่นเป็นเหตุแห่งจุตูปปาตายานด้วยนะครับเพราะว่ากรรมสกตาจะดีนะเพราะว่าศีลคือเจตานาเจตานาก็ได้แก่กรรมนั่นเองนะครับกานรักษาศีลก็คือเท่ากับรักษาเจตานารักษาเจตานาก็เท่ากับรักษากายกรรมรักษา วจีกรรม น, น, นะครับซึ่งมีมโนกรรมนั่นแหละเป็นเป็นเหตุเป็นมูลนะครับเพราะฉะนั้นจุตูป ป, ปตาตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็จะคล่องขึ้นนะครับก็หันหัดคิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมถ้าคนทํากรรมดีเนี่ยสมควรปฏิสนธิที่ไหนถ้าคนทํากรรมชั่วควรจะปฏิสนธิที่ไหนถ้าหากว่าทุศีนเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเอาเรื่องศีลเอาคุณของศีลมาตรึกแบบนี้บ่อยๆนะครับ คนมีศีลสุขติใช่ก็เท่ากับเอาเรื่องสุขติมาตรึกมากๆแล้วทุศีลทุคติก็เท่ากับเอาเรื่องทุคติมามาคิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นแนวความคิดเหล่านี้สะสมอุปนิสัยเพื่อจุตูปปาตยานาที่นี้ผู้ที่จะตรัสรู้ทำอย่างไรเสียก็ต้องมีศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองรับนะครับการที่จะพิจารณาอริยสัจทั้งหลายคุณธรรมคือศีลเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงเป็นอุปนิสัยให้ บรรลุอาสวัคยายานเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นจึงได้อุปนิสัยคือวิชาสามนะครับถ้าผู้มีศีลดีนะแล้วก็คนที่มีศีลดีมีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่โกรธนะครับมีลักษณะอโทสะจะมีกําลังมากเพราะศีลเนี่ยจะต้องอาศัยขันติสังวรเนี่ยสูงนะครับถ้าหาว่าขาดขันติสังวรเป็นต้นก็ยากที่จะรักษาศีลได้นะครับ นั่นก็เอ่อเท่าได้ข่าวว่าสีละนิเทศเขาจะเอามาส่งมาให้มาหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นก็นิมนต์ศึกฟังดูนะครับในสีละนิเทศในวิสุทธิมรรคนะครับที่ที่ได้บรรยายเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นคือที่ต้องการขับเน้นมากก็คือเรื่องการเอามาตรึกนะครับเอามาไขาครวนอ่าโยมบางท่านเล่าว่ามันเป็นการตอกย้ำอย่างดีเลยนะครับการตรึกเนี่ยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ธรรมะหมวดใดที่เราได้เอาไปตรึกแล้วนะธรรมะหมวดนั้นดูเราจะคล่องแคล่วเมื่อเทียบกับธรรมะที่เราไม่เคยเอาไปตรึกเลยไม่เคยเอาไปไข่ควรไม่เคยเอาไปพิจารณานะครับมีความแตกต่างกันมากนะอันธรรมะไหนที่เราได้ไปเพ่งไปใคร่ควรไปพิจารณาตามตรึกตามตรองด้วยใจแล้วนี่โอ้เนี่ยนะมันอาจฐานเหลือเกินนะครับแต่ถ้าอะไรที่ไม่เคยตรึกเนี่ยนะครับเหมือนกันหนังสือไม่เคยอ่านเห็นแล้วก็เสียวนะครับ บอกว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนยากที่สุดก็คือเล่มที่ไม่เคยอ่านนะครับนะครจะลักษณะนั้นนะครับอ๋ออัทธาของศีลคือศีลละนะที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าว่าตัวศีลได้แก่เจตนาศีลตัวศีลนะเมื่อกี้อัทถะคือศีลละนะนะครับแต่ตัวศีลได้แก่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลนะครับมีอยู่สีอย่างนะครับอันนั้นตัวศีลแต่อัทธาของศีลคือศีลละกับ อุปทาณะนะครับนะส่วนลักษณะของศีลกับอัถาของศีลนี่อันเดียวกันคือศีลละนะเหมือนกันศีลละนะขยายเป็นสองอย่างนะคืออุปทาณะกับสมาทานะ